คนที่ทำประโยชน์นะนะคำว่ามิตรนี้ก็คือผู้ที่เอื้อประโยชน์เข้าไปให้ผู้ที่น้อมนาประโยชน์เข้ามาให้เขาเรียกว่ามิตรนาประโยชน์ที่ดีเข้าไปให้ก็เรียกกาลยานมนะิตรเรียกว่ามิตรดีทีนี้คำว่ามิตรนี้คนแยกแยะไม่ถูกโดยมากะนะแยกไม่ถูกเชื่อว่าคนที่ตามใจตัวคือมิตร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 ชาตินี้ของเราทั้งหลายเราอยู่กับปาประมิตรมากหรืออยู่กับกาลยานามิตรมากถ้าตั้งคําถามบอกว่าเออเราก็อยู่ในแวดวงของคนที่เรารักเราชอบหมดเลยนะจะว่าเราอยู่กับพวกป่าประมิตรได้ยัยงไงเพราะแต่ละคนคนรอบข้างเราครอบครัวเราที่ทํางานของเราพักพวกของเรามีแต่คนดีทั้งนั้นเลยมาหาว่าเราอยู่กับปาประมิตรได้ยัยงไงใช่ไหมเขามีแต่คนดีเขาเอาใจเราทุกอย่างเขาช่วยเหลือเราทุกอย่าง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 มีความสามารถพอที่จะละได้มั่นใจว่าละได้แล้วก็สมาทานว่าต้องละนะถ้าถ้าทําลักษณะนั้นก็เป็นคนที่สมาทานที่จะละสมุทัยสัตว์นะมันจะต้องมีแบบคล้ายๆเอ๊ะทําไมเราละไม่ได้ทําไมเราละไม่ได้บางทีเนี่ยคำถามอันนี้มันละใจจริงเคยคิดจะละจริงหรือเปล่านะอันนี้ต้องต้องพยายามจับมาเข้าใจแล้วบอกเอออันนี้คือสิ่งที่เราต้องละนี่คือสิ่งที่เราต้องละ เมื่อเข้าใจคําว่าละแล้ไออุปกรณ์ที่ทําให้ละมีอะไรบ้างเครื่องมือในการละไม่ใช่มันละง่ายๆนะเหมือนปลดนี่อถ้าไม่มีทรัพย์มาเอาอะไรไปปลดนี้นะก็ต้องมีอริยทรัพย์พอที่จะปลดนี้ปลดบาปปลดอกุศลปลดความเศร้ามองออกไปจากจิตใจฉะนั้นเนี่ยนะแต่แล้วออีกพุทธพจน์กลุ่มหนึ่งบอกว่ากุศลรธรรมทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเจริญแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความ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 มีวันหนึ่งเนี่ยที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความกโกรธที่เกลียดรุนแรงมากเศรษฐีนี่กโรกรธเกลียดรุนแรงชนิดที่เราแรงจริงเลยก็มีอยู่วันหนึ่งว่าจะฆ่าวางแผนฆ่าหลายครั้งแล้วไม่สําเร็จ น, นะนะเสร็จแล้วก็ไปจ้างนะช่างหมอ้อบอกไปคุยกับช่างหมอ้อช่างหมอ้อชั้นนี้มีลูกชายเลวมากคนหนึ่ง น, นะช่วยเป็นภาระค่าให้ทีถ้าแกฆ่าให้ฉันให้พันหนึ่ง น, นะนะทันวันไหนที่ ท, ที่เผาเตาอบเตาอบหม้อเนี่ยนะ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 ไม่ใช่ว่าจะถอนออกง่ายๆพลูกศอนคือราคะลูกศรคือโทสะลูกศรคือโมหะและลูกศอนคือโมหะที่เราไม่คิดว่ามันเป็นลูกศอนด้วยเนี่ยนะก็ไม่เคยคิดจะผ่าตัดเอาออกเลยว่ามันมันรุนแรงมันเลวร้ายมันสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนอยังไงเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเป็นลูกศอนแล้วก็ลูกศรคือมานะลูกศอนคือเทฐิลูกศอนคือทุจติยกรรมทั้งหลาย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 นำมาเส้นความเพียรอันเข้าถึงธรรมะนั้นนเชื่อว่าภาวนาด้วยอัตถาว่าเสพเป็นอันมากฉะนั้นภาวนาในที่นี้ไม่ใช่นั่งท่องนั่งบริกรรมนะแต่หมายถึงการสร้างคุณธรรมภาวนาก็คือสร้างคุณธรรมขึ้นในใจการสร้างคุณธรรมทั้งหลายให้ขึ้นในใจทีนี้การสร้างคุณธรรมทั้งหลายขึ้นในใจเนี่ยนะมีตรงนี้พูดถึงสี่ลักษณะหนึ่งท่านบอกว่าไม่ล่วงการและกัน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 เป็นเหตุแห่งความเพลิดเพลินหรือตัวที่เพลิดเพลินตัวที่เพลิดเพลินตัวที่พอใจตัวที่เรียกว่าสุคโสมนั้นอันใดที่อาศัยกามนั่นแหละเรียกว่าอัาธาแห่งกามเพราะกามทั้งหลายนำมาซึ่งความเพลิดเพลินจริงๆจะต้องมีคุณธรรมที่ดีเยี่ยมจึงจะออกจากความเพลิดเพลินเหล่านั้นได้โอเคจะต้องก็ชดเชยกันได้อะ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 มก่อนอยังคุยกับโยมเลยเขาบอกว่าแปลกนะบางทีเนี่ยนะอันนี้ไม่ได้ล้อเรียนถากทางอะไรสักอย่างเลยแบบแต่เล่าให้เขา้าเล่าให้ฟังความจริงอะนะไม่รู้ฟังได้หรือเปล่าบอกว่าคนเนี่ยนะโดยมากเนี่ยอายุมากจริงเออเรียกว่าอายุมากจริงอะ่ะแต่ใจเนี่ยเหมือนใจเด็กๆแลว้วก็บอกเด็กที่อายุมากเนี่ยโอ้ยากมากเลยนะบอกว่าเอออาจจะแนะนําอะไรกันนิดๆหน่อยๆก็บอกฉันเกิดมาก่อนอาบน้ํามานานแล้วกันนั่นอ้างแต่ตรงนั้นอะแต่ขี้ใจเนี่ยน้อยเหมือนเด็กๆ เ, เลย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 แต่ถ้าวันธรมธรมดาๆอาจจะเหลือเวลาอยู่กับธรรมะลุกคือบางที่ใช่ในเวทอยู่ในเวทวงธรรมะมากแต่กุศลธรรมอาจจะเกิดไม่มากก็ได้เพราะว่าโวันนี้ฟังธรรมทั้งวันเลยบอกว่าฟังธรรมด้วยอาการชนิดใดฟังแบบอะไรนะยังเต็มเที่เรียกว่ายังเต็มเนื้อเต็มใจอยู่หรือเปล่าครับเพราะบางคนฟังแค่ครึ่งเดียว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 พยายามมาไขควรวนในรอบๆหลายๆเรื่องเอาภาวะหลายๆด้านมาพิจารณามากๆก็จะได้สร้างความตื่นตัวให้แก่จิตใจของเราเราก็จะได้เจริญกุศลธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเชื่อเธอสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเขามีการบรรลุทีละแสนทีละหลายหมื่นทีละ 84%, ดหมพันบรรลุอย่างหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยบรรลุเกิน500้อยหมู่บ้านนั้นเกิน500้หมู่บ้านโน้นเยอะแยะ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 สัมมาสติสัมปชัญญะเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าสติสัมปชัญญะบริบูรณ์จริงก็อริยมรรคมีองค์แปดบริบูรณ์สามารถทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะสติสัมปชัญญะนั่นแหละจึงจะสร้างภาวะเห็นความตื่นตัวที่เรียกว่าอโลกสัญญาได้นะก็จะเลิกกล่าวว่าเลิกแบบนิ่งเป็นเคลิ้มเคลิมคือบางทีเนี่ยชีวิตบางคนเนี่ยบางทีก็ว่ามันล้านะมันล้ากุศลธรรมไม่ค่อยเกิดมากอ่ะ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 ว่าทาไงดีเนาะก็บอกว่ามีวิธีเดียวเนี่ยนะที่ที่จะทําได้ก็คือทําให้กุศ ล, ลจิตเกิดบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้แล้วอย่าไปเน้นกุศลประเภทละเอียดละเอียดเนะนะให<ช>้เน้นกุศลที่มันทําได้เลยเนี่ยนะ <spend> อะสร้างสร้างกุศลธรรมให้มันเกิดได้บ่อยๆเ mm. ช่นสวดมนต์เช่นฟังธรรมเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปเนี่ยน ะ, นะฟังธรรมเรื่องที่ไม่ยากที่เราฟังแล้วรู้เรื่อง